50 languages. 21. Ikki. การสนทนาสอง d คุณมาจากไหนคะมาจากบาเซลค่ะ ปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เบเซลสวิสเซอร์แลนด์วิช์เดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะม่ทูหา श ุ र รีมิลเลอร์นาลมิโลนาโจหันดาห์แม่ทูหาณุศรีมิลเอร์นาลมิโนานดีหเขาเป็นคนต่างชาติเอเฮ่ เขาพูดได้หลายภาษาเขาพูด้หายภาษาคุณาคักชหคะุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะคี่รใช่ดหมมี่นคัใช่มคมาที่นี่เั่มที่นีคแมาที่นี่้มคที่แะี้ใคที่นแมะคุณมาที่นี่ครั้งแมคะคุณมาที่นี่ะ แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ per เท่านั้นค่ะคุณชอบที่นี่ไหมคะที่ตัวหนูเห็นช่งงางลากดาเหรคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะบ๊อบวิทยาโลกบ๊อบช่างเหรอและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ เมนูอีทอด้านหน้าราวีบ๊อบวัดยาลกดาคุณทํางานอะไรคะตุสิคีการเดโดิฉันเป็นนักแปลแม่เอกอนุวัดกดิฉันแปลหนังสือแม่พุทธกาดาอนุวัดการดาฮานแม่พุทธกาดาอนุวัดการ คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะคीดุซีเ थे क กันเลยายไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยคะ่ะจีไนมีรีพันทีวิเอเธฮาน जी नहीं मेरे प त िิเอเธฮานะและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันเอเธมเรพตีे बच्चे ิเอเธฮาน